บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกมรทานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา น, นั้นเราจะพบว่ามีคำที่พุทธเจ้าทรงเรียกเป็นนันมากในตอนจัดสรุปใหม่ๆทรงเรียกว่าอมฤตธรรมปรวัธรรมะที่ทำบุคคลผู้ปฏิบัติไม่ให้ตาย ในช่วงต่อมาทรงเรียกคําว่าธรรมะหมายถึงสิ่งที่เป็นอย่างไรก็คงสภาพความเป็นอย่างนั้นอยู่ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็ตามสิ่งเหล่านั้นก็คงเป็นอย่างนั้นในส่วนใดที่เป็นความดีก็เป็นความดีสากลทั่วไปในส่วนใดที่เป็นความชั่วก็จะเป็นความชั่วสากลจะประการลักทรัพย์เป็นความชั่ว จะรักในส่วนใดของโลกก็คงเป็นความชั่วแว่าคนเหล่า น, นั้นจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามในขณะที่การช่วยเหลือเกื้อกูลตับุคคลอื่นเป็นความดีก็เป็นความดีสากลใครทําในที่ใดเมื่อไรแก่ใครก็ชื่อว่าเป็นการกระทําความดีในช่วงนั้นในขณะนั้นปรญธมาบางครั้งจึงแปลว่าสภาพที่ทรงไว้ ในความส่วนดีก็คงความดีไว้ส่วนไม่ดีก็ส่งความไม่ดีไว้แในส่วนที่เป็นกลางๆ ก, ก็ทรงส่วนที่เป็นกลา ง, ลางไปในการต่อมาเมื่อทรงแสดงอาวาตปาติโมกจะทรงใช้คําว่าพุทธศาสนาแปลว่าคําสั่งสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลาย ซึ่งแสดงเห็นว่าบุคคลผู้รู้แจ้งเห็นจริงทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าท่านจะอยู่ในฐานะอะไรก็ตามคำสอนของท่านก็จะอยู่ในกรอบที่เมื่อบุคคลประพฤติปฏิบัติไปแล้วจะลดกิเลสให้น้อยลงให้ธรรมะเพิ่มขึนจะลดความทุกข์ให้น้อยลงให้ความสุขเพิ่มขึน จนถึงก็หมดกิเลสหมดทุกข์มีความสมบูรณ์ด้วยธรรมะเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขนั่นก็คือจุดหมายของการสั่งสอนโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งก็คือพระพุทธศาสนาแต่ในการต่อมาเมื่อมีธรรมะเพิ่มขึ้นมากคือสอนมากขึ้นมีคนเข้ามาบวชมากขึ้น จำเป็นจะต้องมีบทบัญญัติเพื่อควบคุมหมู่คณะที่เข้ามาบวชให้อยู่ในกรอบของความถูกต้องดีงามจึงมีการบัญญัติพระวินัยขึ้นคําสอนในพุทธศาสนาจึงเรียกรวมไปว่าพระธรรมวินัยที่จริงแล้วถ้าเรียงจริงๆก็เรียงพระวินัยและธรรมะแต่ท่านเรียงว่าพระธรรมวินัย วินัยเป็นกฎเกณฑ์ระเบียบที่จะต้องประพฤติปฏิบัติเพื่อควบคุมการแสดงออกของบุคคลทางกายกดีทางวาจากดีให้เป็นไปในทางที่ยังน้อยที่สุดงดเว้นจากการเบียดเบียนประทุษร้ายบุคคลอื่นในเดือดร้อนและตนเด็กให้เดือดร้อนจนถึงก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีความประนีตขึ้นไปโดยลาดับ กลายเป็นอาการปกติที่สวยงามมีความเยือกเย็นปรากฏขึ้นภายในจิตมีอาการกริยาทางกายทางวาจาสงบถึงเป็นป้าประสงค์ในระดับของวิไนท่านจังเรียกพป็ศีลที่แปลว่าปกติกายปกติวาจาปกติใจ ดูแลแต่ก็จะท้อมาจากใจพอมาถึงจุดหนึ่งก็เรียกใหม่ในในส่วนของพระธรรมก็มี น, ยนิยต์อังกรกาบแล้วต่อมาจุดหนึ่งจะเรียกถึงขั้นตอนของการปฏิบัติธรรมะซึ่งกหมายความว่าการศึกษาธรรมะจะได้ผลจริงๆก็ต่อเมื่อผ่านขั้นตอนดังกล่าวไปได้ ส่วนแรกเรียกว่าปรยาิยัติสัจธรรมคือเรื่องจะต้องศึกษาเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจว่าข้อนี้พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่าอย่างไรเหรนว่ทรงสั่งสอนโดยสรุปว่าให้ไม่กระทำบาป ท, ทั้งปวงให้ทำกุศลในสมบูรณ์ให้ทำจิตได้ความแคล่วเมื่อเราอ่านก็ดีฝังก็ดีหรือสรทนาการก็ดีหรือแม้่นามาคิดก็ดี ก็ถือว่าอยู่ในช่วงของประหยัดคือการศึกษาเรียนรู้ถ้าทำเพียงเท่านี้ผลที่พึงประสงค์จริงๆก็เกิดขึ้นไม่ได้ํำนองเดียวกับการที่เราเรียนรู้ถึงสรรพคุณของยาชนิดนั้นๆวิธีปรุงอาหารวิธีทำขนมต่างๆไปต้นแต่ก็ไม่เคยปรุง ขึ้นมารับประทานไม่เคยยานั้นไปรับประทานเมื่อมีโรคที่เราต้องใช้ ย, ยาชนิดนั้นอาหารและขนมเหล่านั้นก็ดียาเหล่านั้นก็ดีก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็คนที่รู้เรื่องยารู้เรื่องของอาหารพระตุทธจ้สอนในระดับหนึ่งที่เรียกว่าปฏิบัติสัจธรรมคือการนามาคําสอนเหล่านั้นแหละมาประพฤติปฏิบัติ จะสอนให้ไม่กระทำบาปทั้งปวงก็พยายามงดเว้นบาปไปโดยลำดับโดยมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ไม่กระทำบาปทั้งปวงหรือไม่กระทำบาปแม่เพียงเล็กน้อยการพยายามทํากุศลให้สมบูรณ์ก็พยายามเพิ่มความดีขึ้นถึงลักษณะเหล่านี้คล้ายๆกับการอ่านหนังสือความรู้เราจะเพิ่มขึ้นตามลา ด, ำดำับ ในจุดใดที่เรารู้ในจุดนั้นความไม่รู้ก็จะหายไปไมืศึกษาเพิ่มพูนขึ้นความไม่รู้ก็ลดน้อยมากจริงขึ้นความรู้ก็เพิ่มขึ้นแต่การจะเป็นเจน้นได้ก็ต้องอาศัยการอ่านการคิดการปิญพิจารณาเนื้อหาวิชาที่เราศึกษาอยู่และการปฏิบัติก็มีลัาากษณะจช่นกันคือจะต้องปฏิบัติธรรมะไปโดยดั่ง เป็นความเจริญเติบโตอย่างการปลูกพืชอย่างความเจริญเติบโตในชีวิตของเราคือไม่ใช่เน่งๆจะพวดพลาดขึ้นไปได้การลดละบาปก็สอนให้ลดละในส่วนห ย, ยาบๆไปก่อนเพราะที่ท่านเรียงไว้ในรูปศีเจตว่าสีนั้นเป็นการงดเว้นบาป หมาความว่าความรู้สึกอาจจะรุนแรงเกิดขึ้นอยากลักอยากฆ่าอยากล่วงเกินในทางประเวณีอยากจะโกหกเป็นต้นเที่ยงมองเห็นโทษของการากระทำเช่นนั้นว่าเป็นการไม่เหมาะไม่ควรพอทำไปแล้วก็ทําตัวเองให้ตกต่ำสร้างความเดือดร้อ น, นแก่คนอื่นและเราเองก็เดือดร้อนแะได้ความไปเราเป็นคนอื่นนั้นก็มีคนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเป็นอันมากที่มีพ่อแม่พี่น้องวงศาคณะญาติทั้งหลายก็พลอยเดือดร้อนตลัไปด้วย และคนที่เราเบียดเบียนเขาก็จะเป็นเช่นเดียวกันคือเขามีพ่อแม่พี่น้องมีวงศาคณาญาติคนลดนั้นก็พลอยเดือดร้อนไปด้วยบางการเบียดเบียนคนคนหนึ่งที่จริงไม่ใช่เบียดเบียนคนคนเดียวคนแต่ละคนเป็นสมาชิกของหน่วยย่อยในสังคมอย่างน้อยก็ครอบครัวพอเขาเดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนตามไปแต่แต่ละคนก็มีวงศาคณาญาติมีสกุลคนในสกุลก็พลอยเดือดร้อนตามไป ในขณะเดียวกันเขาก็เป็นสมาชิกของสังคมสังคมก็พอักกระทบกระเทือนกับแต่เราต้องเป็นประชากรณ์ของชาติเป็นต้นเป็นประชากรณ์ของชาติของโลกเป็นต้นประการมาทุสร้ายคนบางคนที่เกิดขึ้นบางทีก็กระทบกระเทือนไปทั้งโลกเพราะคนเหล่านั้นมีบทบาทอยู่ในระดับโลก ื่อคนเรานั้นถูกประทุสร้ายถูกทำลายไปโลกก็กระทบกษษษระเพราะันจากความคิดเหล่านี้ก็มีการงดเว้นไม่ประพฤติกระทำในแนวที่เป็นการล่วงเกินตสิทธิทางร่างกายของบุคคลอื่นระดับศีลธรรมจัญญาเป็นความคิดในแนวเอาใจเขาไม่ใส่ใจเราคือคิดกลับไปกลับมาให้ได้ แสดงว่าเราก็ต้องใช้ปัญญาระดับหนึ่งมีเหตุมีผลระดับหนึ่งพื้นฐานความคิดพื้นฐานปัญญาก็สูงกว่าสัตว์ดิเรกาันสัตว์ดิเรกชนคิดอย่างนั้นไม่ได้สัตว์ดิเรกชันมาเจอการก็เบียดเปี่ยนกันไทานองที่ว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กมือขยาวสาวได้สาวอาาอย่งที่พูดเพราะเป็นการทําอะไรไปตามสัญชาตยานไม่มีเหตุ ผลเป็นเรื่องยับยั้งชั่งใจหยุดความคิดหยุดการพูดหยุดการกระทานในบางจุดเอาไว้ป็งงดเว้นได้ก็กลายเป็นงดเว้นบาปแต่ไม่ใช่ทั้งปวงเพียงว่าเพียงแต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการงดเว้นบาปและก็ให้เกิดสวัสดิภาพทางสังคมเป็นการยุติปัญหาอาชญากรรมทั้งหลาย เพราะอัจริกรรมทั้งหลายจนถึงสงครามที่รบกันในส่วนต่างๆของโลกไม่ว่าในยุคใดสมัยใดก็ตามสิ่งที่เสียหายไปก็คือการประทุษร้ายทางชีวิตทรัพย์สินและความทรอาท้การแตกแยกการร่วงเกินในคู่ครองข้องกันอะไรกันแต่ก็หกลกดวงใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันอะไรกัน ก็แพ้ก็เสียใจก็ดื่มเหล้าชนะดีใจก็ดื่มดาบพันธกรรมโหลดนี้ที่ท่านบอกว่าอาชญากรรมที่เกี่ยวกับชีวิตอาชญากรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์เกี่ยวอาชญากรรมทางเพศอาชญากรรมเกี่ยวการก่อการหลอกลวงกันอาชญากรรมเกี่ยวกับสิ่งเสพติดให้โทษซึ่งพระเจ้าทรงบัญญัติไว้ด้วยสี่ถหข้อ แต่บุคคลมีปัญญาพิจารณาเห็นโทษของการกระทําเช่นนั้นเห็นความดีของการไม่กระทําเช่นนั้นก็งดเว้นแล้วก็เป็นการกลายเป็นการงดเว้นบากก็เกิดการอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขภายในสังคมสร้างสวัสดิภาพให้เกิดขึ้นไปในสังคมแม้ศึกสงครามต่างๆที่เคยมีมันก็ไม่มีแต่ว่าคนอยู่ในจุดนี้ได้แต่ว่าธรรมชาติของมนุษย์ที่จริงไม่สามารถสัมผัสผลระดับนี้ได้สเสมอเหมือนกัน คนรักศีนได้รักรักษาศีนได้ก็มีรักษาศีนไม่ได้ก็มีแม้ในช่วงการรักษาก็าช่วงระยะาวบางสั้นบางแสดงถึงพื้นฐานที่เป็นความแตกต่างกันในด้านนิสยัยอั จ, จริยะทายาศัยของบุคคลเรานะั้นทีนี้ในกรณีที่ทรงสั่งสอนว่าทําโกศลสมบูรณ์ก็ศึกษามาแล้วกุศล น, นั้นแปลว่าความฉลาดอะไรก็ตามที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยความฉลาด แมเราเกี่ยวข้องกับไฟซึ่งร้อนแต่ถ้าเรารู้วิธีเกี่ยวข้องกับไฟเราก็จะไม่เป็นอันตรายจากไฟเรารู้ว่าสัตว์นี้เป็นอสรพิษแต่ต้องเกี่ยวข้องกับสัตว์อสรพิษต้องจับอสรพิษเราก็จับได้โดยอสรพิษไม่กัดเราทำไมยังเป็นเช่นนั้นเพราะเรารู้ว่าในกรณีนี้ควรทำอย่างไรควรจะปฏิบัติอย่างไงควรจับในจุดใดจึงจะไม่เป็นอันตราย ดังนั้นการใช้ปัญญาพิจารณาถึงผลความดีของสิ่งทั้งหลายเนี่ยได้ก็โทษของความไม่ดีจนไปจากแจ้งแก้ใจแล้วก็งดเว้นโดยนัยาะที่กล่าวแล้วในส่วนที่เป็นบาปเราก็งดเว้นในส่วนที่เป็นความดีเราก็ลงมือประพฤติปฏิบัติซึ่งก็เ น, นี่ยลองสังเกตว่า ระหว่างความเกียรคร้านกับความขยันคนเกียร์คร้านนั้นเป็นคนโง่ที่ทําตัวเองให้ตกต่ำเป็นการหยุดความเจริญก้าวหน้าของตัวเองแต่ดูง่ายเมื่อก็คนที่เดินไปบนเส้นทางสายเดียวกันมีจุดหมายอย่างเดียวกันคนหนึ่งที่เกียรเดินคนหนึ่งขยันเดินคนขยันเดินก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้ก่อน แต่คนขี้เกียจเดินนั้นไม่แน่ว่าจะถึงหรือไม่ถึงเราเห็นได้ชัดว่าคนหนึ่งโง่คนหนึ่งฉลาดเพรา ะ, ะนั้นตัวความขยันเดินเนี่ยมันก ล, กลายเป็นกุศลธรรมความขี้เกียจก็เป็นอกุศลธรรมเป็นการแสดงสภาพจิตของบุคคลที่ถูกครอบงำด้วยความรู้สึกนึกคิดหลอดนั้นแต่นั้นเมื่อบุคคลมองเห็นคุณความดีของธรรมะทั้งหลาย เช่นความขยันมันเพียนความกระตันอยู่กตเวทีความมีสมาระวะตะกุคนทั้งหลายความรับผิดชอบในภาระนาทีของตนแล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติแล้วก็เพิ่มความดีเหล่านี้ขึ้นแต่เราเห็นว่าคล้ายๆกับคนที่ฝึกปือทำงานอะไรไปโดยลำดักจะทำงานยากได้ได้มากยิ่งขึ้น ก็มีความสลับซับซ้อนเราก็จะทำได้ถ้าหากว่ามีการฝึกปรือกันมาอย่างต่อเ น, นื่องทางการเพิ่มพูนกุศลก็จะมีแนวนั้นคือค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นไปเท่าที่จะเพิ่มพูนขึ้นไปได้การรับบาปก็ดีการเพิ่มพูนกุศลก็ดีนั่นเองทำจิตให้ผ่องแผ้วเพราะการไมิบัติในแนวของกรรมฐานเนี่ยมันจึงอยู่ในแนวที่เรียกว่า ทำกุศลให้สมบูรณ์ทำจิตให้ผ่องแผ้วปเป็นข้อปฏิบัติระดับของสมาธิซึ่งก็หมายความว่าเมื่อกุศลสมบูรณ์ขึ้นเมื่อกุศลเพิ่มพูนขึ้นจิตผ่องแผ้วมากยิ่งขึ้นการกระทำบาปก็น้อยลงโดยอัตโนมัติประบาบนั้นเหมือนสิ่งที่สกปรกเมื่อความสะอาดได้แผ่ขยายออกไปไอ้ส่วนที่สกปรกก็จะน้อยลง นำองได้ๆก็เราขัดพื้นในห้องใดห้องหนึ่งนี่นนพื้นสกรปกรกทั้งห้องแต่เมื่อขัดไปเรื่อยๆเมื่อถูเมื่อถูไปเรื่อยๆส่วนที่สกรปรกก็จะลดน้อยลงไปโดยลาดับส่วนที่สะอาดก็จะเพิ่มขึ้นโดยลาดับถึงจุดหนึ่งมันก็สะอาดหมดทั้งห้องแต่ความสะอาดเหล่านั้นไม่ใช่เกิดขึ้นพรดพร่เกิดขึ้นดําช่วงของการขัด แล้วขัดเป็นหรือขัดไม่เป็นขยันหรือเกียรตคร้านก็จะเป็นเงื่อนไขเป็นตัวแปรที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเพราะคนทําคนผูพื้นหรือขัดพื้นในห้องเดียวกันห้องกว้างยาวเท่ากันอาจจะเสร็จไม่เท่ากันไม่พร้อมกันแต่นี้เป็นเพราะอะไรเพราะมันอยู่ที่เงื่อนไขว่าทําเป็นหรือไม่เป็นขยันหรือเกียรตคร้านไรฉลาดหรือโง่นั้นเป็นองค์ประกอบเป็นปัจจัยเป็นเงื่อนไขปัจจัยที่ อยู่เบื้องหลังของการทำงานระบับบคุบคคลบุคคลนั้นๆในแนวการปฏิบัติระดับสมาธิก็คือการพยายามทาจิตให้สงบแต่ไม่ควรจะติดในรูปแบบเราจะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ประเด็นสำคัญอยู่ที่จิตสงบหรือไม่ในวันการปฏิบัตินั้นเหมือนกับท่านทั้งหลายที่มาสู่ตึกสวรดธรรมติเวศนี่เอง จุดมุ่งหมายนั้นอยู่ที่ตึกสวัสดิ์นิเวศแห่งนี้แต่การมาและวิธีการมาตลอดถึงภานะในการมาของท่านทั้งหลายนั้นไม่เหมือนกันคือจุดที่ออกจากสถานที่อยู่ของท่านก็ต่างกันแต่เมื่อดำเนินมาสู่เป้าหมายเดียวกันถึงจุดหนึ่งก็จะมาพบกันตรงนี้การปฏิัธรรมจะมีลักษณะอย่างกันระดับของสมาธินั้นคือความสงบ ถ้านั้นนิยามความหมายว่าการปฏิบัติอย่างไรก็ตามที่เป็นไปเพื่อความสงบหรืองับแห่งนิวรณ์ทั้งหประการได้การปฏิบัตินั้นเรียกว่าสมถกรรมฐานนิวรณ์นั้นเป็นปัญหาหัวใจเป็นสนิมใจเป็นเครื่องกั้นใจของคนเอาไว้ไม่สามารถรับความดีได้เต็มที่หรือบางช่วงก็รับความดีไม่ได้เลยแไม่สามารถแสดงความดียกไปถึงที่หรือบางช่วงก็แสดงไม่ได้ ที่เราบางครั้งอาจจะรู้สึกวันนี้ไม่มีอารมณ์ทํางานไม่ได้ไม่อยากพูดไม่อยากอ่านไม่อยากฟังถ้าวิเคราะห์จิตที่ใช้คําว่าไม่มีอารมณ์แสดงว่าจิตในขณะนั้นมีปัญหามีความกัดกลุ้มมีความเครียดแค้นมีความรําคาญมีความฟุ้งซ่านมีความงวยงอยเงาซึ่งซึมมีความเครือดแกรงสงสัยอะแไรต่างๆ เมื่ อ, เ ม, อเมื่อมีปริมาณเพิ่มขึ้นมันก็กัดกร่อนอารมณ์ก็ให้เกิดอาการที่เราเรียกว่าไม่มีอารมณ์แล้วจึงเหล่านี้แหละท่านเรียกว่านิวรณ์นิวรณ์เป็นการแส ด, แดงถึงภาพที่เป็นรู ป, ปรธรรมนิวรณ์จึงมีลักษณะเหมือนภูเขามันกั้นคนจากภาคหนึ่งกับภาคหนึ่งเอาไว้ถ้าจะข้ามไปอีกภาคหนึ่งได้ก็ต้องปีนป่ายด้วยความเพียรพยายามมาก จะข้ามได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกัน น, กนั่นคำว่านิบรณจึงกลายเป็นเป็นภาษาที่เป็นรูปธรรมบางครั้งท่านก็เรียกว่าสนิมก็เัมือนก็วันิมที่เกิดแต่เหล็กแต่ถามวาสนิมมาจากไหนที่จริงก็อยู่ในเหล็กก็มาจากเหล็กแต่ตามให้กิเลตหรือความชั่วนั้นเกิดมาจากไหนมันเกิดไปจากจิตเพราะมันอยู่ที่จิตมันมีเชื้ออยู่ที่จิต แต่ปริมาณของกิเลสนั้นจะเพิ่มขึ้นมาได้โดยลักษณะของอารมณ์สองอย่างที่เพิ่มกิเลสได้แรวได้แรงมากก็คืออารมณ์ที่ยั่วยวนประลาบประโลมเย้ายวนด้วยประการต่างๆก็จะก่อให้เกิดความรักใคร่ปรารถนาพอใจต้องการในสิ่งดังนั้นเพิ่มขึ้นจนถึงจุดหนึ่งก็สูญเสียการสรงตัวเพราะงั้นคนทําความผิดเพราะถูกยั่วยวนจึงมีอยู่เป็นจำนํำนวนมาก อีกชนิดก็คือการด้ว ย, ยุกระตุ้นเร่งร้าวให้เกิดความเครียดแค้นจริงๆังเกิดความคิดที่จะห้ามผ่านต่อสู้กันเกิดมีความคิดที่จะทำลายล้างกันพอถึงจุดหนึ่งมันก็ทำลายล้างกันผลความพิบัติเดอดร้อนในสังคมจึงเกิดขึ้นจากการแรงกระตุ้นอารมณ์หลักสองอารมณ์คือกระตุ้นให้รักกับกระตุ้นให้ชังกระตุ้นให้อยากได้กับกระตุ้นให้ทาลาย และบางทีนั้นการทำลายนั่นเองเพราะต้องการอยากได้เชงการทุบทำลายตู้โทรศัพท์เพราะอยากได้เงินในตู้โทรศัพท์เป็นต้นหรือบางทีการอยากได้นั่นเองเป็นเหตุให้เกิดการทำลายจะทำให้เราพบลักษณะาอารมณ์อีกอย่างหนึ่งว่าจริง ก, กันมีทั้งความอยากและมีทั้งความโกรธแต่ทาให้เกิดสภพพัจิต คนที่ผกผันไปเรื่อยๆมีลักษณะที่พระเจ้าทรงแสดงว่าความรักเกิดจากความรักก็มีความรักเกิดจากความโกรธก็มีความโกรธเกิดจากความโกรธก็มีความโกรธเกิดจากความรักก็มีเป็นปฏิกิริยาภายในจิตที่ถูกแรงกระตุ้นมาจากข้างนอกโดยมีเชื้ออยู่ภายในใจจิตจิตเราแล้ว เช่นบางครั้งบางคราวเนี่ยการกระทาของบุคคลเหล่านั้นไม่ถูกหรอกแต่พอดีการกระทาของเขาไปเป็นการตัดรอนประโยชน์ของคนที่เราไม่ชอบเราก็รู้สึกชอบคนเหล่านั้นทั้งๆ ท, ที่เขาทำไม่ถูกต้องนี่แสดงถึงลีลาอารมณ์ลีลาของกิเลสที่มีอยู่ภายในใจมนต์จะทาให้จิตเบี่ยงเบนออกจากคันลองของธรรมะ แต่ความยุติธรรมความเป็นธรรมความจึงธรรม ท, ที่เียกร้องการมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะในช่วงนี้เป็นช่วงของการใช้อารมณ์แต่บางอย่างนั้นการกระทำเขาอาจจะเป็นเด็กได้เกิดความโกรธหรืออาจจะทำความดีก็ได้แต่ว่าไปทำความดีกับคนที่เราไม่ชอบก็ก่อให้เกิดความโกรธขึ้นหรือทําความชั่วก็ได้ แต่เกิดทาความชั่วกับกับคนที่เราชอบเราก็ไม่โกรธเราก็โกรธเหมือนกันนี่เป็นลักษณะของความโกรธที่เกิดมาจากความโกรธเช่นเราโกรธนายก อ, อยู่นายครนขอเป็นเพื่อนของนายกเราก็โกรธนายขอด้วยก็ทําให้เกิดกระแสความคิดที่มันเพิ่มสนิมขึ้นภายในจิตในส่วนหนึ่งก็มีเชื่อสนิมอยู่ภายในแล้ว แต่ใสความชื้นใสยน้ำใสยไรเข้ามาก็สนิมมันก็เพิ่มขึน้นเป็นการเพิ่มมาจากข้างนอกเป็นตัวเร่งมาจากข้างนอกอีกทีหนึง่งเพราะนั้นความรักเกิดจากความโกรดหรือความรักเกิดจากความรักเช่นความรักเกิดจากความรักเช่นเรารักนายกนายขอเป็นเพื่อนนายกเราก็รักนายขอด้วยหรือความรักนั่นเองแต่เกิดมาจากความกรธ เราโกรธนายกนายขอเป็นศัตรูกับนายกเราก็รักนายขอด้วยเพราะมีศัตรูร่วมกันป็นปฏิกรริแปรเปลี่ยนภายในสังคมที่เป็นข่าวกราวต่างๆอยู่ทุกวี่ทุกบันทุกเมื่อชื่อวันและตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษย์นั้นเราจะพบว่าเป็นอาการแปรเปลี่ยนของกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นจากเชื้อภายในแล้วก็มีแรงกระตุ้นมาจากข้างนอก พกิเลสเหล่านี้เกิดพวกธรรมะพวกกิเลสประเภทโมหะคือความหลงความร้ายเหตุผลก็จะเพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นเพราะในจุดนี้แหละล้วก็ขอให้เกิดเป็นโรกสนิมขึน้นสะสมหมักหมงขึ้นภายในใจต่รุนแรงท่้นก็เรียกชื่อออกไปในลักษณะต่างๆดันการหวัดแนวกรรมาฐานที่จริงเราจะใช้อะไรก็ได้ แต่ว่าเมื่อทำไปแล้วคิดไปแล้วปฏิบัติไปแล้วดูไปแล้วกิเลสตวนี้มนส ง, งบเป็นการส ง, งบความอยากความอยากได้ที่ซัดสายไปในอารมณ์ทั้งหลายเป็นการส ง, งบความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทซึ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นภายในใจเราเมื่อก่อนจิตใจก็เยึกเย็นดีพอ ม, มีความอาฆาตพยาบาทเกิดขึ้น ความไม่สงบภายในจิตก็เกิดขึ้นลักษณะอย่างนี้จะเป็นเหมือนอะไรเราจะเห็นภาพที่เป็นเรื่องราวบุคคลชัดเจนค ว, ความพความยาบาทนั้นจะเหมือนอาคารตุ ก, กะคือแขกที่มาเยือนจนบ้านภายในบ้านอยู่กันโดยปกติสุขมีคนอันธพานมาอยู่คนเดียวแตนน่เน้นปวดหมดทั้งบ้านเนเพราะจิตที่เป็นอันธพานก็คือจิตที่พยาบาท จิตอยากได้โดยไม่คํานึงถึงเหตุถึงผลอะไรเรียกอันตรธานก็คือมืดบอดไม่มีเหตุมีผลภาราเปรวอกอ่อนคืออ่อนด้อยในด้านการใช้ปัญญาอันภาคเปรวอกมืดก็เป็นอาการมืดบอดของจิตปัญญาทำให้ความอยากได้ความปรค่าปัญาบัติรุนแรงความไม่สงบก็เกิดขึ้นก็ดูตัวอย่างอันธรธานมาอยู่ภายในบ้านคนเดียวก็ไดการเราอาจจะอยู่สัก20คนแต่มีอันธรานอยู่คนเดียวแต่นั้นเอง บ้านก็ป่วยหมดทั้งบ้านแม้แต่ประเทศบางทีมีคนแลวอยู่เพียงสองสามคนแต่นั้นเองสร้างบ้านเมืองให้ปั่นป่วนไปได้เพราะจิตมันก็คือกายยนครร่างกายเราก็เหมือนกับนคร น, นครหนึ่งเพราะถ้าจิตถูกปรุงด้วยกิเลสแล้วก็จะมีปัญหาไปจะเป็นกิเลสเขาใดก็ตามทางการบัดแนวสมถะก็คือสงบกับกิเลสล่านี้ ซึ่งบางทีก็ไม่จำเป็นจะต้องมีรูปแบบไม่ต้องนั่งคูบันลังตั้งกายทรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าอย่างตีปฏิบัตินั้นคือรูปแบบแต่ว่าเนื้อหาจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่จิตสงบจากกิเลสแม้จะมีรูปแบบโดดเด่นไปยังไงก็ตามถ้านั่งมีความอาคาดร้อนเผาด้วยแรงพยาบาทกระสันหยากในรมทั้งหลายที่น่าครน่าปรานาน่าพอใจก็ไม่ชื่อว่า เป็นความสงบภายในใจพระแอนโดนี้จึงสามารถใช้ได้ในที่ทุกสถานในการปฏิบัตทิทั่วไปพระเจ้าจึงทรงสอนให้ดูที่ลมหายใจเข้าออกเพราะอะไรเพราะเราอยู่ที่ไหนเรามีลมหายใจเข้าออกต ล, ลอดใครไม่มีลมหายใจก็ตายแล้วท่านั้นเองก็ไม่ต้องทำกรรมฐานเพราะดูที่ลมหายใจเข้าหาจออก เมืจิตสงบอยู่ที่ลมได้อาจจะดูเฉยๆอาจจะนับลมหายใจหรือนับลมเป็นคู่คหรืออาจจะภาวนาพุทโธหรืออะไรก็ตามก็ดูลมหายใจเนี่เป็นหลักไม่ต้องไปสร้างอะไรไม่ต้องไปลงทุนอะไรก็มีลมหายใจอยู่แล้วก็ใช้สติระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเมื่อจิตสงบอยู่กับลมเราจะเห็นว่ากิเลสเนี่ยมันลดลงไปเพราะระจิตที่สงบนั้นจะสงบความอยาก เมื่วความอยากสงบความพยาบามก็สงบความพยายามสงบความเครียดแกร่งสงสัยก็สงบพอเหมือนกับ น, น้ําขึ้นน้ําลงเราเห็นน้ําขึ้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างกรุงเทพเราก็รู้ว่าน้ําที่อยุธยาขึ้นเหมือนกันเดี๋ยไม่จําเป็นจะต้องขึ้นไปดูเพราะน้ําขึ้นน้ําลงนั้นเป็นกระบวนการตามธรรมชาติที่กระทบถึงกัน เราเห็นแม่น้าาําจะาพญาเต็มก็รู้ว่าปิงวังยมหน้านก็เต็มมีแสดงให้เห็นว่ามันเป็นปัจจัยของการอาการที่มองเชื่อมกันได้กิเลสกัตถะก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเพราการปฏิบัติจึงมุ่งให้เกิดความสงบพอสงบในจุดหนึ่งได้จุดอื่นก็จะสงบตามไปแต่ว่าจุดอื่นเกิดกําเริบขึ้นมาจุดอื่นก็เกิดกําเริบตามขึ้นไป แต่ค่ากสุขภาพร่างกายเราในจุดใดจุดหนึ่งไม่มีปัญหาทุกอื่นก็เรียบร้อยหมดพอมีปัญหาขึ้นมาสักจุดเช่นว่าลมมากไปหรือว่าลมน้อยไปอาหารน้อยไปอาหารมากไปมันก็เทือนหมดทั้งร่างกายธรรมชาติของจิตก็เป็นเช่นเดียวกับธรรมชาติของกายธรรมชาติของกายของจิตก็เป็นเช่นเดียวกับธรรมชาติภายนอกและธรรมชาติภายนอกก็เป็นเช่นเดียวกับธรรมชาติของธรรมะคือจะเป็นกระบวนการนาสนะอย่างนั้น จะเริ่มต้นจากสงบได้เพราะก็ความสงบก็เพิ่มขูนขึ้นมาได้วิธีการสร้างให้เกิดความสงบนั้นจะใช้วิธีใดก็ได้เพราะจุดมุ่งหมายอยู่ที่ความสงบแม้รูปแบบจะไม่วิจิตพิสดารแต่ถ้าเป็นความสงบนิวรณ์ได้ก็เชื่อว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อจากนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป